ผู้ทวสวัสดีคะ่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะเป็นเวลาของรายการสนทนาธรรมสันสนิษฐานสนทนากับพระมหาภัยบุ์อภิปุโนกันอีกวันหนึ่งแล้วคะ่ะท่านจัดรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ส่วนพระหัตถ์สบดีกับวันศุกร์ก็จะมีดิฉันสันสนิษฐานพงที่จะมาสนทนากับท่านมีคําถามอะไรใครส่งกันมาก็คอยติดตามฟังกันให้ดีนะคะ ในตอนต้นไรเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้รับสิ่งที่พิเศษซึ่งท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองภายใต้การนำของครูบาอาจารย์คือการปฏิบัติธรรมทางสถานีวิทยุนี้เลยนะคะในขณะที่ท่านยังไม่เรคอร์สหลีเรนที่ไหนท่านพ่วมโดยการหลักสูตรการหลีเรนของวัดปา่าดอนหายโศอุดรธานีสถาบันปฏิบัติธรรมในสังกัด ของทางราชการเนี่ยนะคะก็มาเป็นผู้สอนท่านเองนั่นคือท่านพระมหาภัยบุญพิปุญโนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเพราะว่า ท, าทันทีที่ได้ไปในมัศการท่านปุ๊บเนี่ยท่านก็จะนําปฏิบัติธรรมกันเลยค่ะนมัศกาลคะท่านคะเดือนพรค่ะเวลาที่เรามาเริ่มปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มด้วยการตั้งสติขึ้นลักษณะการตั้งสติก็ต้องมีคเครื่องมือในการตั้งสติ พระประจำให้มีเครื่องมืออยู่หลายอย่างหนึ่งในอย่างที่เราสามารถใช้ได้อยู่เป็นประจำคือเรื่องของลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมดาแม้ในเวลาที่เรานอนหลับก็ยังมีการหายใจการหายใจนี้เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะตั้งสติได้พระประจำเรียกว่าเป็นอานาปานาสติวิธีการก็คือให้เราเอาใจของเรามาระลึกถึง การระลึกถึงนั้นก็คือการคิดถึงนั่นเองการระลึกถึงนั้นก็คือการเอาใจไปใส่เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าให้ความหมายของคําว่าสตารริคือการระลึกได้เนี่ยคือการระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นั่นได้ซึ่งในที่นี้แทนที่เราจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นึกถึงหน้ า, นานคนนั้นคนนี้เราก็มานึกถึงระลึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมดา น, นี่แหละ ตรงไหนเพราะว่าลมหายใจนี่มันเข้ามันออกมันยาวๆมันเป็นไม่ได้จับเป็นตัวเป็นตัวได้เป็นขนก้อ น, อนแต่ว่าเรามารู้ถึงระลึกถึงใ น, นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกก็คือในโรงจมูกของเราเนี่ยเองบริเวณที่เป็นช่องที่เข้าที่ออกของลมหายใจเราจริตของเรามาตั้งไวนะ้นที่ตำแหน่งนี้บริเวณเนี้ยที่เป็นทางเข้าทางออกเนี่พระพุทธเจ้าใช้ชื่อเรียกว่าปริมุขขัง คือทางเข้าทางออกบริเวณฉพาหน้าปรินี้ก็คือบริเวณมุกนี่ก็คือทางเข้าทางออกอย่างลักษณะของอาคารสถานที่บางแห่งที่เขาทำยื่นมาเป็นหน้ามุก ค, คำว่ามุกนี่ก็คือคำเดียวกันจากใบหน้าของเราสิ่งที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกก็มีจมูกนี่แหละที่ยื่นออกมาจากหน้าเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเร า, จ, เราจริของเรา ตั้งไว้ที่บริเวณทางเข้าทางออกนี้โดยการเอาจิตตั้งไว้ณที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกจะนั่งเป็นรูปแบบหลับตานั่งกู้ขาเข้ามาก็าตามหรือในขณะที่เรากำลังเดินจงกรมหรือทำงานทำกับข้าวหรือทำสิ่งใดๆการที่เราเอาใจของเรามาอยู่เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาไปได้โดยเวลาที่เรา ระลึกถึงรู้ถึงลมหายใจนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องทำลมให้มันสั้นหรือมันยาวและหายใจอย่างเป็นธรรมชาติบางทีเราทำกิจกรรมอะไรอยู่ลมหายใจมันอาจจะเร็วอาจจะสั้นก็ให้มีสติตั้งไว้ตรงนั้นบางทีเราอาจจะทำอะไรที่มันสบายๆลมหายใจยาวๆไม่ได้เร็วมากก็ให้เราตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหายใจเป็นอย่างไร แต่เปนอยู่ที่ว่าเราจะฝึกจิตถือการฝึกอานาปานาสติเนี่ยไม่ได้เป็นการฝึกกายโดยการหายใจแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเป็นการฝึกจิตให้จิตนั้นมีสติตั้งอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเภทไหนไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรเวลาที่เราฝึกอย่างนี้แล้วจิตใจของเราเนี่ยจะสามารถเริ่มที่จะเป็นสมาธิได้พระบรุตรชาบอกว่าบุคคลที่มีสมาสติแล้วเนี่ย จะสามารถทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่ในขณะที่เราเริ่มตั้งสติสมาธิอาจจะยงไม่ได้เกิดเลยมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องให้สตินั้นเป็นหลักเป็นกําลังขึ้นมาได้แล้วสมาธิถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเราทําในระหว่างวันก็ตามตอนเช้าตอนเย็นตอนก่อนนอนเราฝึกเราทําแล้วพวกนี้จะเป็นเหมือนการเก็บสะสมเก็บสะสมเป็นกําลังให้จิตนั้น มีสติเป็นกำลังคือสติทาให้เกิดกำลังคือสมาธิได้ทำไปได้ทั้งวันอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทำความเข้าหน้าในทางคำสอนให้มีเริยมมากมีองค์แปดตั้งอยู่ในใจของเราได้เจริญพรค่ะก็ฝึกปฏิบัติกันไปนะคะยิ่งทำมากความชนญก็จะยิ่งเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวใช่ท่านคะท ำ, ทำไปจะหาความพอดีได้เองใช่ไหมคะ คือความพอดีนี่อยู่ที่เราปรับเอาอยู่ที่เราปรับเอาคือถ้าเบอก <F an S 1> ว่าเราทําอย่างถูกต้องคําว่าถูกต้องนี้ก็คือว่าเราพยายามตั้งสติเอาไว้มันอาจจะมีคิดนั่นนี่โน้นบ้างมันอาจจะยังตั้งไม่ได้เราก็พยายามที่จะฝึกใหม่ทําใหม่อันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนเด็กที่เขากําลังฝึกเดินเนี่ยนะคุณยมติวนะเด็กที่กำลังฝึกเดินเนี่ยคือทําเดือน2เดือนแรกมันอาจจะยังไม่ได้เลยคือลุกขึ้นแล้วก็ล้มลุกขึ้นแล้วก็ล้มแต่ในขณะที่เขาล้ม แล้วเขาลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแต่ฝึกกล้ามเนื้อแข็งรงเช่นเดียวกันในขณะที่เราแบบเพิ่ไปคิดเรื่อนี้ น, นั่ น, นลืมไปละแล้วเราเอ้ยฉันนึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องมานึกถึงลมเพระวตรงเนี้ยสติจะมีกําลังขึ้นมาทันทีแต่กําลังคือสติคือความระลึกได้นะคําว่าระลึกเนี่ยคือหมายถึงเราภาษาอังกฤษคือ recall มาดึงมาจากที่อื่นบางที่เราไปคิดนนเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตไม่ยือยู่ที่บ้าน คือมันยเรากลับไปทํางานที่อื่นๆเนี่ยพอถึงเวลาเราก็กลับมาบ้านไอต้ตรงกลับมาเนี่ยการกลับมาการมาระลึกถึงตรงเนี้ยคือกําลังคือสติแตก็ไมาสตินี่เป็นกิริยานะซึ่งหมายถึงการระลึกได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโอ้ใช่ฉันต้องมานึกถึงลมไปใจพัวตร ง, นงเนี้ยจังหวะเนี้ยคือคุณสติคุณมีกําลังขึ้นมาและทันที น, นับหนึ่งเลยก็ค่อยๆสะสมไปสะสมไ ป, สสมไปเดี๋ยวมันก็จะตั้งเป็นสมาธิได้ออืค่ะ คำว่าสติเป็นกิริยาหรือว่าเฉพาะในที่ท่านกำลังพูดถึงความหมายนี้เป็นกิริยาแต่ว่าจะมีการทาหน้าที่เป็นคํานามด้วยค่ะใช่ใช่คือธาตุธาตุของเขาเนี่ยมาจากคาว่าสติคือการสะธาตุคือการระลึกได้นี่แหละค่ะเพราะนั้นตรงนี้เป็นกิริยาอยู่แล้วคาที่เป็นธาตุคือรากศัพท์เดิมของเขาอะนะค่ะท่านคะ เมื่อปฏิบัติกันเสร็จเรียบร้อยแล้วยิ่งถ้าได้นั่งปฏิบัติไปแล้วฟังทมไปได้ด้วยเนี่ยก็น่าที่จะทำให้ได้ประโยชน์จากการฟังมากขึ้นคือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ค่ะเรากำลังจะถามคำถามของท่านฟังท่านหนึ่งดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะคะและถ้าสมมุติว่าเราเกิดเป็นท่านที่ถามคำถามนี้เนี่ยดิฉันว่ามีสิทธิ์ที่จะสับสนอืม ชื่อคุณนภาค่ะยบานท่านบอกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นใบโพล่าหรือไม่ใบโพล่านี่คือการสุดโต่งของขั้วอารมณ์สองด้านถูกไหมคะถ้าดิฉันจะแปลใช่ใช่เป็นลักษณะอาการทางในทางจิตวิทยาน ะ, ะที่เขาจะอธิบายถึงคนที่มีสองบุคลิกมีสองบุคลิกและคุณโยมนภาเนี่ยก็บอกว่าโยมไม่แน่ใจว่าการโทรสระ แบบอารมณ์ระเบิดเลยควรจะกดข่มด้วยสมาธิดีหรือไม่มแต่มันก็ข่มได้ชั่วขณะไม่ได้หายไปจริงๆหรือกำลังสมาธิของโยมยังไม่แข็งแรงกำลังจะไปหาหมอนะคะก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าถ้าหมอให้กินยาควรจะกินไหมคะอ๋ออืมอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเอาเอาอธิบายทีทละขั้นตอนดีกว่านะคุณโยมติ่่นะเอาเอาคว่าไบโพลาก่อนแต่บางคนอาจจะ ไม่เข้าใจเทอมนี้ก่อนนะค่ะอคําว่าไบโพล่าเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาทางจิตเวช ท, ที่เขาจะอธิบายถึงอาการของคนที่เหมือนกับมีสองคนอยู่ในตัวเดียวกันค่ะคือคือมีสองคนอยู่ในคนเดียวกันอ่า ก, ก็คือมีอารมณ์สองแบบอ่ ะ, ะทําไมวันนี้เดี๋ยวเป็นอะอย่างนี้อีกวันหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยอย่างเงี้ยนะเป็นเหมือนกับสองบุ ค, คลิกอยู่ในอารมณ์เดียวกันอยู่ในคนเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเป็นอาการทางจิตวิทยานะซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ ไปตรวจแล้วก็จะมีพบว่าโปรโตีนหรือว่าโฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่มันสูงเกินพวกเขาก็จะให้ยาคุณมากินเพื่อที่จะลดโฮอร์โมนหรือว่าโปรโตีนประเภทนี้ที่อยู่ในร่างกายของเราไป <คะ S 1> นี่ก็จะมีกระบวนการรักษาทั้งทางด้านใช้ยาคือทา ง, ทางด้านอายุรศาสตร์แล้วก็การใช้กระบวนการทางการปรึกษาคือ counseling คือแบบว่าไปไปพูดคุยกันให้จิตใจสงบลงอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะให้คําปรึกษาใช่ไหมหรือว่าพูดคุยกันนะ มีทั้งสองกระบวนการปรึกษาจิตแพทย์เออประมาณนี้ใช่ทีนี้ว่าโรคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเทือกเือกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไบโพล่าโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีนะดิเพรสชันพวกนี้พวกนี้เป็นเป็นโรคที่เพิ่งค้นพบมาสมัยใหม่นี้นั่นเองในช่วงยี่สิบสาสิบปีไม่ถึงยี่สิบปีด้วยมั้งใช่จากสมัยก่อนล้วเป็นเด็กๆแล้วไม่เคยได้ยินคานี้มาก่อนเลยไบโพล่ีใช่ แล้วก็ถามว่าที่เขาเพิ่งค้นพบเนี่ยเพราะว่าคือหมอเนี่ยนะเขาก็ไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันเป็นอะไรเขาก็ไปค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งได้ข้อมูลอะไรต่างมาอ่ะอันนี้คือทางด้านจิตวิทยาตางั้านทางการแพทย์ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนทีนี้คนเราเองเนี่ยมนุษย์ทตัวไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นกายกับเป็นส่วนที่เป็นจิตนะอธิบายตั้งใจจะให้เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมุติเราเอาคน2คนคน2คนเนี่ยอาจจะเป็นพี่น้องกันหรือไม่เป็นพี่น้องกันก็ไม่เป็นไรล่ละแต่ว่า เอาขึ้นรถไฟหอะตีลังกาไปนะขึ้นรถไฟเหาตีลังกาไปก็อยู่สถานการณ์ชิงวัดล้อมเดียวๆกันนะก็คือแบบมันจะวื้ยว้ารู้สึกเื้วาวา่วาวิวที่ท้องนิดนึงใช่ไหมคนที่เขาชอบรถไฟหอะติลังกาเนี่ยนะเขาก็จะโหมีความสนุกสนานมากเลยพอใจเยีวเยี ว, ยวสนุกไปแต่ในขณะคนที่ไม่ชอบรถไฟหอตีลังกาเนี่ยเขาจะโหอ้วกแตกอ้วกแตนหน้าขึ้นหน้าลงหน้าเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงอะไรก็เปลี่ยนแปลงไป ทีนี้พอเอาลงมาเสร็จปุ๊บคุณวัดฮอร์โมนแต่วัดฮอร์โมนหรือว่าวัดการเปลี่ยนแปลงในสมองของทั้งสองคนเนี่ยโหมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนที่คนแรกที่มีความสุขจากการนั่งรถไฟเหาะตื่งการเนี่ยร่างกายเขาจะหลั่งฮอร์โมนหรือว่าสารประเภทหนึ่งออกมาในขณะที่คนที่ไม่ชอบเนี่ยก็เจอภาษายอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ร่างกายเขาทําไมหลั่งฮอร์โมนหรือสารอีกประเภทหนึ่งออกมา ค, คนละประเภทกันเลยคนละเรื่องกันเลยที่ทําให้ร่างกายรู้สึกแบบว่ามึนงงรู้สึกแบบจะอ้วกจะไม่สบาย นะก็หลังสารประเภทนี้ออกมาแนะต่ตางทั้งที่ว่าเจอผัดสะแบบเดียวกันนะคืออาการลักษณะนี้คุณโยมตีวรมนตร์ต้องการจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางจิตนะคือแน่นอนอ่ะมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองใช่ไหมและถามว่าอะไรล่ะที่ควบคุมสมองควบคุมความคิดของเราก็จิตของเราแน่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีฮอร์โมนประเภทนี้มากหรือว่าคุณมีโปรตีนประเภทนี้มากรวมถึงเรื่องโรคไวัยทองอะไรต่างๆด้วยนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตของเราเนี่ยได้อย่างไร เอาคนที่ถ้าว่าจิตเนี่ยมีราคะโทสะโมหะมากนะนี่คือเป็นโรคจิตเลยนะเป็นโรคจิตนะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอ า, อาการทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันนี้คือไม่เป็นโรคอะไรสบายใจในใจสบายที่สุดละแต่ถ้ายังมีราคะาโทสะโมหะอันนี้เป็นโรคแต่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า <Okay. S 1> เราแบบอุณหภูมิร่างกายปกติดีหมอก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าคุณเป็นอะไรแต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะนะอันนี้คุณเป็นโรคจิตนะ เพราะฉะนั้ น, ม, น, ม, นมันอยู่ที่ว่าเรามีจิตที่จะควบคุม ม, มีพลังสมาธิที่จะควบคุมจิตของเราเนี่ยได้หรือไม่เพราะว่าจิตเนี่ยถ้าบอกว่ามันไม่ได้ถูกรับการสั่งสอนไม่ได้ถูกรับการปักให้ดีฝึกให้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอินทรีย์ตามอารมณ์ต่างๆแล้วดูอย่างสองคนสองคนที่ว่าเนี่ยเจอภาษาแบบเดียวกันแต่ว่าตอบสนองต่างกันตอบสนองต่างกันอา้าไมจิตของคนนั้น เขาแฮ ppy อะทำไมจิตอีกคนหนึ่งมันไม่ happy แฮ ppy ล่ะแต่เพราะว่าลักษณะการตอบสนองเขาแตกต่างกันกับภาษาเดียวกันที่เจอบรอมๆกันที่ว่ามีการตอบสนองต่างกันเพราะว่าเขาฝึกจิตมาไม่เหมือนกันมีพื้นฐานไม่เหมือนกันต่างครอบครัวต่างอะไรกันก็คงจะเป็นอางนั้นด้วยทีนี้จิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้มันสามารถว่าฝึกได้สามารถฝึกได้กรณีที่ ถ้าเผื่อว่าจิตไม่ได้รับการฝึกมันก็จะขึ้นๆลงๆไปตามปัสสาวที่มากระทบถ้าปัสสาวที่มากระทบแรงๆมันก็ขึ้นลงมากพอขึ้นลงมากๆมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางทางร่างกายระบบร่างกายนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ พ, พระพุทธเจ้าเคยตรัส บ, บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยคือถ้าคนที่มีเวทนามากน่ยก็จะอายุไม่ยืนจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าคนที่มีเวทนาเบาบางเนี่ยจะมีอายุยืนเน่จะอายุยืน เพราะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับคนที่มีเวทนาหวือหวาขึ้นขึ้นลงๆมากในร่างกายมันก็จะแบบมันจะต้องมีสารนั้นสารนี้เราเอกมามากมันก็จะทําให้อาจจะเป็นผลให้เกิดอายุสั้นลงไปและก็จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอ ะ, ะทีนี้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตไงจิตจึงมีผลต่อกายในแน่นอนกายบางทีก็มีผลต่อจิตบางทีเราอยู่ที่ร้อนๆหรือหนาวเกินไปเราก็แบบอารมณ์ไม่ดีมกันนะ แต่สิ่งที่มันจะมีผลเนะี่ยมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของจิตเนะ่ซึ่งจิตเนี่ยจะต้องรู้จักในการที่จะควบคุมจิตทีนี้อย่างกรณีของคุณภ า, าที่บอกว่าตัวเองก็ได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมมาอยู่เหมือนกันเนะี่ยหลายๆคนก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมมาอยู่เหมือนกันแต่ทําไมก็ยังมีอาการขึ้นขึ้นลงๆเนะี่วื้ยวาไปตามพรรษะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างอย่างงี้นะค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราฝึกด้วยกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่ ในระดับแรกก่อนเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเข้าใจไม่ถูกในลักษณะที่ว่าออคุณไปทั้งสมาธิในต้องได้ความสุขต้องได้ความสุขแบบสมาธิเยน็นใจสบายไปอยู่เงียบเงียบไม่สูงสิงกระใครเออมันดีนะอยู่ไปสัก5วัน7วัน10วันเนี่ยมันดีสบายใจละพอพอสบายใจแล้วลกลับมาบ้านนะกลับมาบ้านมันไม่ได้เงียบสงบอย่างนั้นเดี๋ยวสามีบ้างเดี๋ยวภรรยาบ้างเพื่อนข้างบ้านบ้าง หัวหน้าบ้างเจ้านายบ้างโอ้ยมันทําไมไม่สุขแบบที่เราไปวัดอยู่วัดปฏิบัติธรรมแตนะ่พอคิดว่าตัวเองจะต้องได้ความสุขความสงบอย่างเงี้ยก็คือมีการยึดถือความสุขละแต่คนที่มีการยึดถืออย่างเงี้ยก็พอไม่ได้เนี่ยมันก็จะจีดแล้วถ้ายึดถือมากก็จะยิ่งจีดแรงแต่จะยิ่งระเบิดบึ้มขึ้นมาแต่นี่คือไม่ใช่ลักษณะของการฝึกที่ถูกต้องแต่มันไม่ถูกตรงที่ว่าคุณคิดว่าเราจะต้องได้ความสุข แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ได้สุขเัทนาอย่างนี้คือประเด็นแต่ไม่ใช่เพื่อให้ได้สุขเบทนาแต่ประเด็นคือเพื่อที่ให้ตัณหาให้ความยึดถือมันคลายไปอันนี้คือกิจที่ควรทำในเรื่องอริยสัจสีที่อาจาจะต้องย้ํามากๆเลยนะคุณโยมติวนะ <Okay. S 1> เพราะว่าการฝึกสมาธินี่คือมรึกถูกไหม <Okay. S 1> เป็นก็าเรียกว่าอริมรึกมีอง 8. แปดอันนี้เป็นกิจที่ควรพัฒนาทําให้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเอาตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ของที่จะเอา แต่ของ <Okay. S 1> ที่ควรจะทําให้มันมากแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้เวทนานั้นได้สุขเวทนาแบบนี้ไม่ใช่แต่เราทําตรงเนี้เพื่อที่จะได้ความไม่มีตัณหา <Okay. S 1> นี่คือนิโรดนะ่ะนิโรดคือความดับไม่เหลือของตัณหาเนี่ยเราต้องเอาตรงนั้ น, <Okay. S 1> นมันมันจะต่างกันนะเหมือนกับว่าถ้าจะเปรียบเทียบคือกินยาเนี่ยนะกินยาเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะกินกินกินกินกินไม่ใช่อย่างนั้นแต่กินยาเพื่อหวังจะหายจากอาการโรคก็ใช่ไหม คือเหมือนกันเราปฏิบัติมักแปดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาตรงเวทนามันมันไม่ใช่ผิดคแต่ว่าเราต้องการเอาที่ไม่มีตัณหาเราจึงปฏิบัติตามมักแปดค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นอืโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรอบข้างคนผู้ปฏิบัติพอเขาไปปฏิบัติทำกลับมาอืก็ต้องถามละดีไหมมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยสบายใจมาก <N> <N> มักจะเป็นคําที่พูดกันอยู่เป็นแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติกันเองอรื่อของเธอเป็นไงอืค่ะก็จะอธิบายว่าโอ้สุขมากเลยแฮปปี้มากเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนประเด็นที่ถูกต้องก็คือว่าเราเห็นตามที่เป็นจริงไหมเราปล่อยวางได้มากหรือน้อยอันนี้คือที่เราต้องเอาตรงนั้นนะแล้วทีนี้พอคนที่ถ้าไม่ได้ความสุขแบบที่ตัวเองเคยได้แล้วก็จะก็จะจีดละพอจีดแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มขึ้นมาได้ ถ้ายิ่งยืดมากก็จะยิ่งแบบจี๊ดมากอันนี้คือประเด็นที่1ที่บุดไเมื่อสัครู <Okay. S 1> ่ประเด็นที่2ในที่นี้คือที่คุณนภาถามพูดถึงว่าการกดข่มด้วยสมาธินะซึ่งถ้าบอกว่ า, เ, าเรากดข่มอะไรเนี่ยนะมันเป็นการกระทําที่จะนําให้เกิดการเก็บกดนะการเก็บกดเนี่ยมันไม่เหมือนการอดทนนะคุณโยมติว <Okay. S 1> แต่คือถ้าเราพยายามที่จะเก็บอารมณ์ที่เราไม่ดีเอาไว้ไม่ให้มันออกมาข่มมันเอาไว้ข่มมันเอาไว้อันนี้ไม่ถูกต้อง คือคือเก็บสิ่งที่ควรจะต้องเก็บเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าสิ่งที่ควรต้องทิ้งไปก็มีส่วนที่ควรต้องทําความเข้าใจก็มีเช่นส่วนที่ต้องทิ้งไปละไปคือตันหาตันหาเป็นสิ่งที่ต้องละเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไม่ใช่ให้เก็บเอาไว้ถ้าผมว่าเรามีความเข้าใจว่าเออคนมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตามที่ฉันต้องการฉันต้องการอย่างนี้ฉันอยากอย่างนี้อ่านี่คุณเก็บความอยากเอาไว้ถ้าคุณเก็บความอยากเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกนะมันเป็นการเก็บ เ, เก็บไวเรื่อยๆเก็บไวเรื่อยๆแหมทำไมเขาไม่ทําตามที่ฉันต้องการไม่ทําตามที่ฉันอยากเก็บเวลานะเก็บกดเวลานะแต่ฉันยังไม่แสดงออกหรอว่าฉันไม่พอใจเดี๋ยวก็ทําอีกทําแบบที่เราไม่พอใจอีกนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะก็เก็บเอาไว้อีกนะแต่ไม่แสดง <Okay. S 1> ออกว่าตัวเองไม่พอใจแต่เก็บความอยากที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นเอาไว้แล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยคือเก็บกดนะสักวันนึ่งมันจะต้องระเบิดตุ้มขึ้นมายิ่งเก็บไว้มากเท่าไหร่ยิ่งระเบิดแรงมากตัวนั้นแแต่ความอยากต้องละนะความอยากต้องละ นะคือการเก็บกดไม่เหมือนกับการอดทนคือถ้าอดทนไม่ถูกทําให้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บกดในแต่การอดทนที่ถูกต้องคืออดทนต่อผันธะที่ไม่น่าพอใจพระพุทเจ้าใจกับนี้นตะบุคคลในธรรมะว้ไหนเนี่ยวิสุทธินในธรรมะว้ไหนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดท น, น, นต่อผันธะที่ไม่น่าพอใจต่อว่าจะอันหยาบคายร่างกายหรือเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเ็ร้อนอันอาจจะนําไปเสียซึ่งชีวิตคือถ้าเจ็บ เจียนจะตายแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังอดทนอดทนในที่นี้อดทนต่ อ, อไรคืออดทนไรคืออดทนไม่ให้อักกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าอักกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องรีบรักทันทีอักกุศลธรรมนะอย่ากเก็บเอาไว้เลยนะอย่ากเก็บเอาไว้เลยเช่นความแบบไม่พอใจเขาเจื้อเข า, เ, าเกลียเขามีโทสะเกิดขึ้นอย่ากเก็บโทสะนั้นเอาไว้หรืออยากกดมันเอาไว้โทสะนี่ถ้าเกิดปุ๊บต้องรีบรักทันทีมันเที่ยเดียวกับตัณหามันเที่ยเดียวกับกิเลส รีบรักทันทีเลยอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นเพอเราเอาไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นปุ๊บมันหลุดไปเราเอาใจมาใส่อยู่กับอะไรเอาใจมาใส่อยู่กับมรักเอาใจมาใส่อยู่กับลมหายใจเป็นต้นคุณเอาใจมาใส่อยู่กับลมหายใจเอามใจมาใส่กับไว้สติเอาสิ่งที่เป็นความโกรธความไม่พอใจตรงนั้นมันลาไปละลาไปละไม่ใช่ว่าเก็บกดเอาไว้เพราะฉะนั้นลักษณะการที่เราเจริญสมาธิไม่ใช่ว่าจะเป็นการเก็บกดความที่เป็นอกุศลธรรมไม่เก็บ อกุศลธรรมต้องละไปแต่ตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งคุณโยมติวว่าในขณะที่เรากําลังเจริญสมาธิเนี่ยทำสติให้ถูกเนี่ยเราก็ละไอ้เจ้าอากุศลธรรมไปด้วยทีนี้ว่ารากของมันเนี่ยคือตัณหาอาวิชชาเนี่ยถ้ามันยังมีรากอยู่เวลามีภาษามังคับเดี๋มันก็เกิดอีกดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องเข้าใจให้ถูกว่าตัณหานะความอยากนะอย่าให้เขาเป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนี้อยากให้เขาไม่เป็นอย่า ง, งานั้นไม่เป็นอย่า ง, งนี้ลักษณะความอยากประเภท น, นี้ย คุณต้องออกไปจากใจเอาออกไปจากใจแตอย่าให้มีเพราะว่าตรงนี้ไมนเหมือนกับเชื้อที่มันจะต้องคอยทําให้ความไม่พอใจมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยแต่ประเด็นตรงนี้เข้าใจให้ถูกละเราก็สามารถที่จะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเรามาเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมบางคนนะมีคนหนึ่งแหะที่เคยเห็นที่ว่าก็ปฏิบัติได้ดีนะทั้งสมาธิทําจิตสงบอะไรต่างๆเออพอกลับไปบ้านเนี่ยลูกเต้าหรือว่าคนรอบข้าง บอกว่าเอาแม่ไปปฏิบัติธรรมมาทำไมกลับมาแล้วแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยนะแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมนี่คือหมายถึงว่าโกรธยังโกรธแย่มากกว่าเดิมนะแล้วก็โกรธแรงกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็มนะีเพราะว่าอันนี้เข า, เาจิตใจไปยึดถือในความสุขที่ตัวเองได้มากพอไม่ได้แล้วมันก็เลยบึ้มขึ้นมาอย่างนีว่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณนภาที่ พูดถึงเรื่องว่าเป็นไบโพล่าหรือไม่ <ทะ S 1> อันนี้ก็คือมันไม่ใช่หรอกมาจะพูดอย่างนี้เลยนะคือโรคเนี้ยไม่มีจริงโรคนี้ไม่มีจริงเป็นอาการที่แบบหมอเ้าคิดขึ้นมาเพราะว่าคือเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอะ่<ท>ะว่าอาการแบบนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้มีข้อมูลแบบนี้มันเป็นเรื่องของ <ทะ S 1> จิตใจเขาก็เลยคิดเทอมโดยการที่มีข้อมูลอ้างอิอ ง, องทําวิจัยมาแบบนี้แบบนี้เจอโปรโตีนประเภทนี้เจอฮอร์โมนประเภทนี้ ก็เลยขึ้นมาเป็นโรคเอายานี้แก้แต่เป็นอย่างนั้นแต่ <c oughs> ทั้งหมดมันแก้ได้ด้วยการที่เรามาเข้าใจจิตใจงเราให้ถูกนะแน่นอนถ้ามีราคาโทสะโมหะเนี่ยมันเหมือนกับมีสามสี่คนอยู่ในตัวเรานี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดตรงนี้เอ้ยความคิดนี้ฉันไม่เคยมีมาก่อนนะ <c oughs> ก็ราคาโทสะโมหะนั่นแหละแล้วถ้าจิตของเราเราไม่ฝึกเองแล้วใครจะมาฝึกให้นะม <c oughs> ีสา ม, มเณร <c oughs> ในสมัยพุทธกาลเนี่ย เดินไปบินบาบัดกับท่านพระสารีบุตรแเดินตามหลังต้อยๆไปเนี่นะสามเณรอายุ7ขวบตัวเล็กแลเดินผ่านไปที่ชาวนาเขาปลูกข้าวกันอยู่ก็เห็นกังหันน้ำคุณโยมติยวเห็นกังหันน้ำเนี่ยมันก็วักวิทน้ําขึ้นมาที่นาของเขาเด่กเป็นเด็กน้อยอายุ7จขวบก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ถามพระอุปราชือท่านพระสารีบุตรบอกว่าไอ้นั่นอะไรครับท่านพระสารีบุตรก็บอกเอนี่มันกังหันน้ำํำเขาใช้ทําอะไร ท่านปรเจริญเวบอกเอ๋อเนี่ยใช้วิทน้ําพาไปที่ตรงนั้นให้น้ํามันไปตรงนั้นตรงนั้นได้สูงได้เอาแล้วน้ํามีจิตมีใจหรือไม่เุ้ยท่านปรเบริญเวก็เลยบอกน้ำไม่มีจิตไม่มีใจก็สารวัตรแดงก็เก็บข้อมูลไปโอ้ห์น้ำไม่มีใจแต่มันไปได้อย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> เดินต่อไปอีกก็ไปเห็นช่างเขาดัดลูกศรนั่นคือช่างลูกศรเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาเนี่ยคือเอาลูกศรที่มันงอๆไม่ตรงเนี่ยมารดนไฟแล้วก็ดัด โดนไฟชุบน้าข้าวแล้วก็ดัดด้วยการที่ไม่รู้เป็นเด็กนะก็เลยถามท่านพระสารีบุตรว่าเออนี่เขาทําอะไรนะอุปชาท่านพระสารีบุตรก็อธิบายให้ฟังนี่ช่างสอนก็ดัดลูกสอน อ, อ๋อแล้วลูกศร น, นี่มีจิตมีใจไหมก็ไม่มีจิตไม่มีใ จ, จท่านกา็อธิบายออนี่คือสามเดนถามเดินต่อไปอีกหน่อยก็เจอช่างแกะสลักและเขากําลังแกะสลักไม้คือเขากําลังเอาไม้เนี่ยมามาแปรรูปจากกลมๆเนี่ย ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆเขากาลังถากไม้อยู่แล้วก็ถามอุปชัยกว่ า, วานี่เขาทําอะไรอาจารยปรัอุปชัยก็เลยอธิบายว่านี่เขาช่างถากไม้เขากำลังถากไม้แล้วก็ทําเป็นสิ่งต่างๆได้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรได้ก็อีกเหมือนกันว่าถามว่าไม้มีจิตมีใจหรือไม่อาารับอุปชัยก็ตอบว่าน้ามไม้เนี่ยไม่มีจิตไม่มีใจตรงเนี้ยแค่เนี้ยสามอุ ป, ปมาอุปไ ม, ป ม, ป ม, ปมคุณโยมติวสามแม่ตัวเล็กๆอายุ7จ็ขวบ ไปเห็นเหตุการณ์3อย่างนี้ก็มีความคิดว่าโอ้ขนาดน้ําขนาดลูกอนขนาดไม้เนี่ยไม่มีจิตไม่มีใจเขายังฝึกปรับทําให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เอาแล้วคนเรามีจิตมีใจทําไมเราจะฝึกปรับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันดีให้มันบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เลยกลับวัดเลยคุณโยมติวไม่ไปบิณฑบาตเลยวันนั้นลกลับวัดไปนั่งสมาธิฝึกจิตของตัวเองให้มันสูงมันดีขึ้น เป็นไปตามอำนาจได้สุดท้ายวันไหนก็ได้ผรลูอาหารแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาออค่ะนะคะอันนี้เป็นคำถามจากคุณณภาเราก็ได้ประโยชน์จากคำถามนี้เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ผ่านการปฏิบัติแล้วกลับมาบ้านแล้วก็มีความรู้สึกถึงตอนไปปฏิบัติเนี่ ย, ยเหมือนกับที่ ท่านได้เล่ามาเลยว่าคนชอบคิดว่าจะต้องมีความสุขอย่างโน้อนอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราเข้าใจผิดที่จริงต้องเห็นตามเป็นจริงที่จริงให้เห็นผลจากการที่ละตันหาได้หรือเปล่าถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องซึ่ ง, ง อ, อันเนี้ยดิฉันคิดว่าสําคัญไม่งั้นแล้วการเป็นปฏิบัตินี่ไม่เกิดประโยชน์เลยตัวเองก็เป็นนะคะพอไปแล้วแหมรู้สึกสบายสบายเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็เอื้อให้สบายอืมค่ะส่วนเรื่องไบโพล่าที่ท่านบอกว่าเป็นอาการทางจิตท่านเชื่อว่าไม่ใช่เป็นโรคที่แท้จริงแต่ หมอในไม่เข้าใจในเรื่องนี้ใช่ไหมค ะ, ะดิฉันก็คือคื อ, คอหมายว่าหมอเขาก็เข้าใจไป อ, อย่างที่เขาจะเข้าใจนะใช่ค่ะคือท่คอาคิดว่าเรากาลังเปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงล่ะแต่เพื่อที่ให้คำพูดของท่านเบบูลเนี่ยมีตัวอย่างรองรับดิฉันเคยกราบเรียนท่านไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ทราบท่านจำได้ไหมคะว่าไปเจอผู้ที่เขาฝึกปฏิบัติกับผู้ทวจนะเนี่ยเจอหน้ามาเาบอกดิฉันขอขอบคุณหน่อย ก็ถามว่าขอบคุณอะไรก็บอกว่าได้ใช้ซีดีที่ท่านอ่านเรื่องพุทธวจนะอาณาปานาสติเนี่ย ใ, <ช>ให้คุณแม่ซึ่งเป็นใบโพล่าค่ะท่านค ะ, ะฝึกปฏิบัติแล้วบอกว่าคุณแม่ดิฉันเนี่ยกำลังจะหายแล้วก็เป็นกระบวนการเดียวกัที่ท่านกาลังบอก ว, ว่าถ้าฝึกสติดีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็จะทำให้จิตของเราเได้รับการอบรม อืมเพราะฉะนั้นเป็นการแก้ไปโดยตรงที่จิตที่ว่าเป็นสองขั้วเนี่ยน่าจะได้ผลอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมซึ่งเลี้ยนฟังวันนั้นดิฉัน ง, งงนะคะตอนที่ ย, ยังไม่ได้ฟังธรรมจากท่านเนี่ยไม่เข้าใจไอ้ทำไมไอ้ โ, โรคไบโพล่าเนี่ยเขาว่าสารเคในสมองไม่สมดุลอื ม, อมสามารถรับประทานยาแล้วก็หายได้ได้ยินอย่างเนี้ยมาเยอะนะคะเ อ, อก็เลยคิดว่าเอะ น่าจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะแม้กระทั่งคุณหมอที่ฉันคิดว่าก็น่าสนใจนะคะในการที่ลองเอาความรู้ของศาสดาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่เป็นที่สุดแล้วเอาไปใช้กับคนไข้ก็ได้หรือว่าคนไข้หรือคนเฝ้าไข้คนดูแลเนี่ยลองไปใช้เองกับท่านคะ่ะเดีวฉันคิดว่าสมัยก่อนที่เราไม่เคยได้ยินโรคเนี้ยแต่เราก็จะพบนะคะว่าในแต่ละครอบครัว จะมีคนที่ขึ้นขึ้นลงลงถูกไหมคะมบางครอบครัวนี่เขาบอกโอ้ยรุ่มใจมากเลยขึ้นขึ้นลงๆถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ก็ว่ากันไปแต่เมื่อที่เป็นเด็กเนี่ยเพราเป็นเด็กเขาเลยเชื่อว่าเป็นโรคอะไรที่เข้าใจไว้อย่างนั้นคือแทนที่จะมาดูว่า้เราเลี้ยงเขามายังไงเลี้ยงให้เขาปรี๊ดง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ม, มันก็อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวบางคนอาจจะบอกว่าเลี้ยงมาดีแต่ทําไมเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่ก็ต้องลองคิดดูว่าให้อาหารทางกายแล้ว ลองให้อาหารทางใจดูบ้างใช่ใช่ให้ฝึกทางกายละให้ฝึกขี่จักรยานละบอยซิเคิลละ ม, มาฝึกแอนตี้ไบโพล่กัน บ, บ้างโดยการฝึกจิตนะคะพอพอคุณโยมติวพูดเรื่องนี้ทําให้อนามานึกถึงเ อ, อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะค่ะโรงพยาบาลหรือหมอของเขาเนี่ย<ๆ>เขาสามารถที่จะจ่ายสติให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคดิเพรสชันอย่างนี้ได้จ่ายสติท่านพูดเหมือนจ่ายายาเลยน ะ, ะใช่เขาทาเหมือนจ่ายายาเลยคือเขาให้เป็นโดสเลยคือ เขาให้คนไข้เนี่ยคือหมอเนี่ยจะเลือกได้หรือให้คนไข้เลือกก็ได้ว่ า, าคุณจะกินยาเท่านี้ยาสูตรนี้นะเม็ดนะกินไปวันละเม็ดวันละเม็ดนะหรือคุณจะไปาทาสติฝึกสติเขาเรียกว่า mindfulness based cognitive mm. therapy MBCT นะ T, นะซึ่งมีการที่เอาคุณไปฝึกสตินะมีการอัเทปแล้วก็คือเขาเป็น Pre-Record นะเป็นเสียงที่บันทึกมาแล้วก็ให คนป่วยเนี่ยเอาไปฟังทีละสิบ้านาทีเช้าเย็นหรืออะไรประมาณเนี้ยจำนวนสิบเซสชั่นลผลก็ได้รับการตอบรับอย่างดีและคือเขาเขามีการทำวิจัยจนกระทั่งสามารถเอาสติเนี่ยไปเป็นยาในการจ่ายให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าพวกนี้ได้อ๋อก็เท่ากับว่ามีทางการแพทย์นยอมรับแล้วล่ะทาแล้วใช่โรคพวกนี้เกี่ยวกับการขาดสติถูกต้องแล้วก็ได้ผลด้วยนี่ที่ประเทศอังกฤษ จำได้แค่สามตัว MBT แต่ว่าก่อน T ตัวอะไรนะคะ MBCT MBCC C คืออะไรนะคะท่านคะ Cognitiv Cognitiv ใช่แปลว่าอะไรคนี้ M นี่คือ mindfulness ใช่ไหม B ก็คือ base d C นี่ก็ cognitiv e แล้วก็ T ก็ therapy ถ้าเราไปหาในอินเทอร์เน็ตจะเจอเลย MBCT ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด therapy นี่เป็นการบำบัดละ mindfulness แปลว่าสติ base ก็แปลว่าพื้นฐาน c o g n i t i v e ก็คือให้แบบเหมือนกับมาระลึกถึงมาตั้งจิตไว้ที่นี่อย่างวิญญาณคำว่าวิญญาณเนี่ยนะการระลึกได้การรู้แจ้งเนี่ยก็แปลภาษาอังกฤษว่า cognition ค่ะเดี๋ยิฉันอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังนะค่ะว่าบางทีคือเนื่องจากมีคนรอบตัวที่มีลูกเป็นแบบนี้หลายคนละเดี๋ยฉันก็คิดว่าใครมีลูกเล็กๆ และหลานเนี่ยเราลองฝึกให้เขานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรคไบโพล่าก็ได้นะคะเพบางทีเขาบอกคนฆ่าตัวตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณหมอตรวจทุกคนอาจจะพบว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าไอ้ซึมเศร้าในประเภทเดียวกันกับใช่ใช่ใช่ซึมเศร้าประเภทเดียวกันโอค่ะในในเรื่องของโรคซึมเศร้านี่คิดว่าจะพูดต่อได้ในวันพรุ่งนี้เพว่ามีรายละเอียดอีกเหมือนกันได้ค่ะงั้นวันนี้ก็พอควรแก่เวลาคุณนภา ก็คงสบายใจมากขึ้นและก็คงไปทำสมาธิโดยที่หวังผลอย่างที่น่าที่จะเป็นผลที่ควรหวังนะคะคือให้ตัณหาลดลงให้เห็นตามที่เป็นจริงให้ละอกุศลนั่นก็คือความก้าวหน้าของสมาธิหรือฉันพูดถูกไหมคะเย่ยมผ่านจุต่างนะคะกราบน้ำส ก, การขอบพระคุณท่านเพ็่นบุญเป็นอย่างยิงย่งเลยคะ่ะเียมผนฝั่งที่เคารพคะบางทีเราก็คิดว่าคนที่ไปปฏิบัติสมาธิแล้ว เอ๊ทำไมกลับมาบ้านยังมีอาการขึ้นขึ้นลงลงความจริงแล้วเนี่ยควรจะบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งไม่มีอาการแบบนี้แล้วใช่หรือไม่ความจริงแล้วมันก็เป็นอาการของมนุษย์ปกตินะคะก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องฝึกอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องก็น่าที่จะทำให้อ่าทุกอย่างดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปด้วยการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง เราก็สะสมความรู้นี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนการที่ให้ท่านไปบุญได้ช่วยกรุณาสอนพวกเราปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการนั้นก็เป็นไปเพื่อจะได้รู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินั้นเป็นของท่านทั้งหลายเองเพื่อความเจริญก้าวหน้ารายการนี้สรนสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะดำเนินรายการสถานีที่ให้โอกาสเราพูดธรรมะกับท่านก็คือวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มร้อนะคะสามารถจั ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันส่วนวันพฤหสัสบดีกับวันศุกร์ที่ท่านจะสนทนากับท่านเพลยพ์ูลนอกจากนั้นท่านจะแสดงธรรมของท่านลําพังก่อนจากกันนะคะเคยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่อยากจะทํากุศลในแง่ของการสร้างพระอุโบสถซึ่งขณะนี้เกือบจะเสร็จแล้วที่ท่านเข้าใจว่าก็คงจะเหลืออยู่อีกไม่กี่แสนบาทนะคะในการที่จะลุล่วงสําหรับวัดป่าดอนหายโศก ที่ท่านอาจารย์ไผ่บูรณ์ไดสอนธรรมะอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะท่านกา็สามารถจดเบอร์บัญชีนี้ได้ค่ะเบอร์บัญชีของวัดป่าดอนหายโศกก็ชื่อวัดป่าดอนหายโศกนั่นแหละนะคะของธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุดรธานีหมายเลขบัญชี4013286955ฟ 5. ังอีกครั้งนะคะ 4 0 1 3 2 8 6 9ห5หหค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุธสวัสดีค่ะ